จเจริญพรทุกๆท่านหลวงพ่อมาเทศที่นี่หลายรอบแล้วเริ่มคุ้นกับสนามม้าแล้วเมื่อก่อนเรียนอยู่จุฬาไม่ได้เข้ามาในเนี้ยพวกเราส่วนมากก็พอนาได้นะรู้เนื้อรู้ตัวเป็นมีส่วนน้อยใจมันไม่ตื่นอาจจะเช้าเกินไป ตื่นร่างกายตื่นเร็วไปใจยังเลยยังอยากหลับอยู่การปฏิบัติธรรมมันไม่มีอะไรมากหรอกนะอย่าไปคิดวาดภาพให้มันยุ่งเหยิงส่วนมากเราจะถูกความคิดของเราหลอกความเชื่อมันหลอกว่าทำอย่างนี้เราจะดีทาอย่างนี้เราจะดีที่จริงทำอะไรก็อย่างนั้นแหละดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มันไม่ได้ทำให้เราบรรลุมรรคผลได้ ไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกนะจิตเขาเป็นของเขาเองเราเพียงแต่สร้างเงื่อนไขที่เกื้อกูลให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานครูเจ้าท่านสอนเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราได้เจริญเรียนอยู่ในสามบทเรียนนี้ถึงจุดหนึ่งจิตจะฉลาดจิตก็หลุดพ้นของจิตเอง ตัแต่หลวงพ่อเด็กๆนะหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันว่าทําไงมันจะดีตอนเด็กๆไม่รู้จักนิพานครูบาอาจารย์สอนให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองนับไปเรื่อยๆท่านสอนให้นับถึงสิบแล้วก็เก้าแปดเจดอย่าง้หลวงพ่อนับถอยหลังไม่เป็นยังเด็กเล็กๆนับหนึ่งถึงร้อยหายใจไปหายใจไป สามว่าปฏิบัติเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ใจอยากปฏิบัติเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนให้ปฏิบัติก็ทําทำไม่เลิกหรอกเขาหายใจไปหายใจไปทีแรกก็หายใจไม่เป็นหายใจไปแล้วมันเด็กนะมันไม่มีมารยาหายใจไปไปเดียวเดียวนะไม่กี่วันหรอกลมหายใจเขาหายไปทีแรกก็การนับหายไปก่อนพอใจสงบมากขึ้นลมหายใจก็หายนะพุทโธหายไปลมหายใจหายไป กลาเป็นแสงสว่างเสร็ไปไหนไม่เป็นอยู่กับความว่างๆางั่นเองก็คิดแต่ว่าต้องทําอย่างนี้แหละต้องทําอย่างนี้แหละมันเป็นสัญชาตญาณที่จะต้องปฏิบัตินี่พอโตขึ้นมาไปอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรอยากนิพพานบ้างก็คิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วมันจะนิพพานก็นั่งอยู่นานก็ไม่เห็นจะนิพพานสักทีกะเที่ยวคนกว้าว่ามีครูบาอาจารย์สอนอะไรบ้าง ก็ได้ยินได้อ่านเจอว่าท่านเรียนให้พูดโธแล้วพิจารณาร่างกาย ก, ก็ลองพิจารณาร่างกายดูดูตั้งแต่เส้นผมลงมามาดูไปสมาธิมันมากเส้นผมก็สลายตัวไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะดูไปปุ๊บเดียวนะมันก็ต้องเปิดเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกลหัวขาดไปเลยเห็นตัวดูตัวนี้เนื้อหนังหลุดไปหมดเหลือกระดูกดูกระดูก กระดูกระเบิดนะกลายเป็นเม็ดเล็กๆเต็มพื้นเลยกระจากระจายอยู่ที่พื้นดินตามดูต่อไปไนะอ้กระดูกเนะี้ยสลายตัวเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นๆเป็น ส, สว่างใช่ไหมคลื่นแล้วสลายตัวไปเสร็จแล้วไปไหนไม่ได้ใจมันก็ทรงตัวเฉยๆอยู่อีกแล้วนะตรงนี้ก็ไม่ใช่ทางที่เราจะเดินไปนะไม่รู้วิธีที่จะไปแตนะครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านไปทางนี้นะ พอท่านสลายกายหมดแล้วท่านก็มารู้ที่จิตต่อพอออกจากสมาธิถ้ามาดูกายกลับมาดูกายอีกจนจิตมันเดินปัญญาพิจารณากายอันตโนมัติเห็นความจริงของร่างกายก็นะปล่อยวางกายแล้วก็ค่อยมาปฏิบัติเข้าที่จิตอีกทีหนึ่ง น, นี่หลวงพ่อดูไปแล้วใจมันไม่เอาจริงแล้วนะมันรู้สึกจืดชืดมันไม่ถูกจริตดูกายไม่กี่นาทีกายก็สลายหมดละวกายเป็นแสงหายไปหมดแล้ว แต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือพอออกจากสมาธิอันนี้มาแล้วเนี่ยมีร่างกายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะรู้ชัดเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเพราะร่างกายนี้เคยหายไปแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วร่างกายก็หายจิตก็หายนะหายหมดเลยแบบที่เราหลับลึกๆนะ่ะอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยนะเหลวไหลที่สุดเลยอย่าไปทําไม่มีประโยชน์แต่ถ้าราวนาไปร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียวอย่างนี้ยังดี พอเราถอยออกมาจากสมาธิร่างกายปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะรู้เลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอ่านกันงั้นหลวงพ่อเ น, นี่ยแยกขันได้ตั้งแต่เป็นเด็กนะตั้งแต่เป็นโยมแต่ไม่รู้หรอกว่าทางปฏิบัติต่อจะไปยังไงมันก็แยกใจว่างๆอยู่กันเองนี่แหละอยู่กับความว่างแถมไปอ่านหนังสือเซนนะมีแต่เรื่องสุญญาตาสุญญาตานะอีกคิดว่าถ้าทําใจว่างๆไปเรื่อยๆมันคงบรรลุมรรคผลอ่านหนังสือเซนใครเคยอ่านไหม หนสือไว้หลังฮวงโปนะเวลาอ่านแล้วมันจะมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นในใจรู้สึกไหมจะโล่งๆว่างๆแปลกๆสว่าง ๆ, างๆนี่แหละมางทางมันก็อยู่อย่างนั้นอีกแหละนะไปไหนไม่รอดอีกแล้ช่วยไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองก็ดูจิตทีแรกก็ดูไม่เป็นเข้าไปแทรกแซงจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องคิดต้องนึกต้องปรุงต้องแต่งจิตเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ก็จริงแต่ว่ามันมีธรรมชาติที่คิดนึกปรุงแต่งได้ หลวงพ่อก็พยายามเข้าไปแทรกแสงท่านบอกให้ดูจิตเพราอนเราต้องตัดสิ่งที่ไม่ใช่จิตออกไปให้หมดเลยต้องทิ้งให้หมดร่างกายเนี่ยเราแยกออกไปได้แต่แรกแล้วนะก็มาดูความสุขความทุกข์โลภโกรธหลงอะไรเนี่ยดูไปไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตนะพยายามปัดออกไปหมดเลยที่ได้จิตก็ชอบไหลไปรว ม, มกับอารมณนะ์ก็พยายามแยกขึ้นมาแยกขึ้นมาได้นะรู้สึกรักษาตัวผู้รู้ไว้เนี่ยนี่เรียกว่าดูจิตดูจิตดูอย่างนี้สามเดือน ไปหาหลวปู่ดูล่นะท่านว่าทําผิดแล้วละ่นะการดูจิตจริงๆนะท่านบอกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยไปแทรกแซงอาการของจิตนะดูจิตจริงๆก็คือจิตมันเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะนะที่จริงท่านไม่ได้บอกประโยคนี้นะท่านบอกว่าดูผิดไปดูใหม่ดังนั้นไปแทรกแซงอาการของจิตแล้วคําว่าดูเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ขึ้นมาเนาะคำว่าดูดูเหมือนเราดูหนังสือเนี่ยเราไม่ได้แต่งหนังสือ เราไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ใช่คนเขียนหนังสือแล้วไม่ใช่นักวิจารณ์หนังสือด้วยหนังสือมีอยังไงเราก็อ่านไปอย่างนั้นหรือเราดูโทรทัศน์โทรทัศน์มันแสดงเรื่องอะไรเราก็ดูไปอย่างนั้นเดี๋ยวมีบทรักเราก็รู้ไปมีบทโกรธเราก็รู้ไปนี่หลักของการรู้การดูนะเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างเนี้ยเนี่ยตอนเด็กๆนะหลวงพ่อภาวนาเนี่ยเพราะว่ามันเคยชินมันอยากภาวนานะไม่รู้เป้าหมายปลายทาง ตอมาพอโตขึ้นได้ฟังทำได้อ่านหนังสือเนะอยากนิพพานเห็นไหมมีใจอยากอีกแต่นแรกๆทาแบบไม่มีวัตถุประสงค์ตอมาทําแบบอยากได้อยากมีวัตถุประสงค์หาทางปฏิบัติ น, ะนี้ภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยจนวันหนึ่งใจมันเข้าใจความจริงนะว่าทุกอย่างมันมาแล้วมันก็ไปนะไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนถาวรหรอกภาวนาถัดจากนั้นไปมันพบว่าจิตเราเนี่ยถูกขังอยู่ ภาวนาไปมันมีความรู้สึกนะจิตมันมีเปลือกหุ้มมันมีเปลือกหุ้มไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังตอนนั้นหลวงปูดุลไม่อยู่ล้วไปเล่าให้หลวงพ่อคืนฟังหลวงพ่อคืนเป็นลูกศิษย์หลวงปูดุลนะบอกว่าเนี่ยจิตมันเหมือนถูกขังอยู่หลวงพ่อคืนท่านก็บอกโอ้จิตมันอยู่ในหายกระเทียมนะอีกองหนึงบอกอยู่ในไหายปลาแดกรู้จักปลาแดกไหมง่ายปลาละ ครูบาอาจารย์ท่านเป็นคนอีสานนะท่านชินกับหายส่วนหลวงพ่อบอกว่าจิตมันอยู่ในแคปซูลเพราะเราคนทันสมัยรวมความก็คือจิตนี่ถูกขังอยู่จิตถูกขังอยู่ในที่แคบๆถ้าเราภานาไปถึงจุดหนึ่งนะเราเห็นว่าจิตเนี้ยไม่ได้มีอิสระจิตนี้ไม่มีอิสระจิตถูกขังอยู่ตลอดเวลาเพราะความรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นรู้เห็นตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจจะทนไม่ได้นะมันจะทนไม่ได้มันเหมือนเราติดคุกอยู่ ทำไมเราจะต้องติดคุกตลอดชาตินะถ้าตายแล้วไปเกิดอีกก็ติดคุกอย่างนี้อีกต้องแหกคุกให้ได้ใน่ใจมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นหาทางทําลายสิ่งที่ห่อหุ้มจิตนะว่าทําไงจะทําลายมันได้หลวงปู่ดูลท่านก็เคยบอกนะว่าตัวที่จะทําลายมันไดนะ้คืออริยมรรตนะอย่างอื่นทําลายไม่ได้แต่ตอนที่ไปเจอตะลุมบอนเนี่ยลืมหมดอนะที่ครูบาอาจารย์สอนคิดแต่ว่าทําไงจะทําลายจะระเบิดมันเลยจะเจาะมันเลย หาทางทํอยังไงมันก็ไม่ตายนะ ม, นมันแข็งแรงมากเลยมันเหนียวมากเลยอย่างเรากำหนดจิตให้แหลมเลยนะแทงมันไหมนะมันเด้งดึ๋งดึ ง, ด, ง, ด, งดึงได้นะมันยืดหยุ่นได้นะมันร้ายมากนะเปลือกอันเนี้ยเนียพอเรารู้ว่าเราไม่อิสระใจมันก็คิดแต่ว่าจะต้องปลดปล่อยตัวเองให้อิสระให้ได้นะงั้นการภาวนาต่อไปนี้เป็นการภาวนาเพื่อจะแหกคุกนะภาวนาเพื่อจะแหกคุก ภาวนาไปภาวนาไปนะบางทีมันก็หลุดออกมาหลุดออกมาเดี๋ยวเดียมันก็เข้าไปอีกห น, ะนีไม่ได้สักทีต้องค่อยๆภาวนานะคือเราค่อยๆสังเกตใจของเราพวกเราคนไหนเห็นบ้างว่าใจถูกขังอยู่ใครเห็นบ้างว่าใจไม่อิสระเรายกมือให้ดูนะซิมีไหมโอ้เยอะเนาะเยอะมากมีสองคนก็เยอะแล้วละ่ะแต่นี่มียี่สิบสามสิบคนนะ ถ้าเห็นตัวนี้ได้แล้วรู้สึกไหมว่ามันทุกข์เห็นไหมมันทุกข์คนติดคุกมันทุกข์ไหมล่ะถ้ามันเห็นว่าตัวเองติดคุกอยู่มันทุกข์ตลอดเวลาที่ผ่านมานะพวกเราเนี่ยมันเหมือนคนซี่เกิดมาในคุกหรือเหมือนไก่ที่เกิดมาในเล้านะเกิดมาอยู่ในเล้านะเขาก็จับใส่เป็นช่องช่อ ง, ช, องช่องละตัวกระดิกไม่ได้นะถึงเวลาก็อาหารผ่านมานะมีน้ําผ่านมามีอาหารผ่านมานะแล้วก็ไข่ไป ออกไข่ไปเล็ดเลยก็ดุกระดิกไม่ได้ไก่ที่เกิดมาในสภาว่าอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกว่าไก่ข้างนอกเป็นยังไงมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันหลุดออกมาข้างนอกนะแล้วมันถูกจับไปขังใหม่เนี่ยมันจะรู้ว่าทุกมันจะทนไม่ได้แล้วมันต้องหาทางแหกคุกให้ได้มันจะไม่ออกไข่แล้วคำเนี้ยจะไม่ถูกเลี้ยงเอาไว้ฆ่าตายหรือเอาไว้ออกไข่เฉยๆถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าเรายังจมอยู่ในกองทุก ใจมันจะฮึ่มที่จะต่อสู้เพื่อจะปลดปล่อยตัวเองออกจากกองทุกข์นี่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถรู้ได้นะว่าเราจมอยู่ในกองทุกข์อย่างเราเกิดมาเราอยู่ในสังคมอย่างนี้แหละในครอบครัวอยู่ในบ้านอยู่กับพ่อกับแม่บางคนไม่มีพ่อมีแม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ อ, อะไรเนี่ยโตมาแบบนั้นนะก็ดูคนอื่นเขาทาอะไร คนอื่นเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนหนังสือถ้าเราเรียนเก่งหรือเราเรียนได้เยอะก็ถือว่าเราเก่งเราดีกว่าคนอื่นเราเสร็จแล้วใครเขาทําอะไรอีกละ่ะเขาไปทํางานเขาไปทํางานเราก็ทํางานตามเข้าไปคล้ายนักโทษนะหรือไก่ที่ว่าคนอื่นเขากินไก่ตัวอื่นเขากินเราก็กินตัวอื่นเขาไข่เราก็ไขนะสุดท้ายตัวอื่นถูกเชือ้อเราก็ถูกเชือ้อนะแบบเดียวกันเนี่ยเราอยู่ในสังคมนะเราไม่รู้ว่าเราจมอยู่ในกองทุก เราก็เดินตามคนอื่นไปเรื่อยๆสังคมเขามีมาตรฐานอะไรเราก็เดินตามอย่างนั้นแหละเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนเขาทำงานเราก็ทำ liar. เขามีครอบครัวมีลูกมีอะไรต่ออะไรเราก็ต้องมีกับเขาบ้างถ้าไม่มีเราเรารู้สึก แ, แย่สู้เขาไม่ได้เนี่ยเราต้องมีอย่างที่คนอื่นเขามีเราต้องทำอย่างที่คนอื่นเขาทำสุดท้ายเราก็แก่อย่างที่คนอื่นแก่เจ็บอย่างที่คนอื่นเจ็บแล้วก็ตายอย่างที่คนอื่นตายสุดท้ายเราก็ต้องพลัดพราก จากสิ่งที่รักจากคนที่รักสุดท้ายเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่รักสุดท้ายเราก็ต้องเจอความผิดหวังต่างๆเล้หนีไม่พ้นมันเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราล้มหายตายจากไปหมดแล้วเนี่ยคนที่เรารู้จักตายไปเยอะแล้วรู้สึกไหมมีแม้คนไหนยังไม่มีญาติพี่น้องตายเลยมีไหมถ้าหน้าตาอายุขนาดนี้ไม่มีเลยเนี่ยเป็นตะกูลที่อัศจรรย์มากนะอายุยืนจริง เนี่ยคนที่เรารู้จักก็หายไปหายไปใช่ไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพอใจมันเห็นอย่างนี้นะมันจะรู้เลยว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ชีวิตเราไม่ได้เกิดมานะเพื่อจะมาทําตามคนอื่นแล้วก็ลงท้ายย่ําแย่ไปเหมือนที่คนอื่นก็เป็นพระพุทธเจ้าให้ทางออกกับเราเราก็มาหาทางออกจากกองทุกนี้ให้ได้วัตตาเนี่ยไม่ได้เรื่องยิ่งใหญ่อะไรนักหนาหรอกมันหลอกได้กับคนหลง คนไม่หลงนะคนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจะสามารถเอาตัวออกจากวัตฏะได้วัตฏะมันหมุนวนอยู่นะมันมีกิเลสขึ้นมาก่อนพอมีกิเลสนะมันเกิดการกระทํากรรมคือการทํางานของใจเมื่อมีการทํางานทางใจเกิดขึ้นนะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมันมีวิบากแต่ถ้าเราทําความดีมีจิตที่เป็นกุศลนะแล้วก็ไปทําสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ได้มาคือความสุขแต่สุขหรือทุกข์นะ ในสายตาของนักปฏิบัติที่แท้จริงแล้วนะมันยังเป็นสิ่งที่พึ่งผ่าไม่ได้เพราะอย่างบางทีเราทําสิ่งที่ดีนะเราได้เกิดมาดีหน้าตาดีอย่างคนไหนรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาสวยบ้างมีไห้ยกมือหน่อยสิมีไหมกล้ากล้ า, ลาหน่อยถ้าเรารู้สึกก็ไม่เป็นไรนะ่ะมีหลายคนขอชมเชยนะอืมมีที่แปลกคือผู้ชายยกมือด้วยเออก็ไม่ว่ากันนะเป็นรสชนิยมน เกิดมาสวยอ่ะผลของกรรมดีให้ผลมาเกิดมาสวยอ่ะแล้วมันสวยตลอดไหมเห็นไหมมันไม่ตลอดนะบางคนมีฐานะดีมันก็ดีไม่ตลอดนะหรือว่ามีบ้านบางคนทํางานซื้อบ้านหลังใหญ่ๆส่งธนาคารไปเรื่อยนะส่งใช้หนี้ไปเรื่อยเลยวันๆเอาแต่ทํางานไม่ได้อยู่บ้านหรอกมีบ้านสวยๆแต่ไม่ได้อยู่บ้านะใครเป็นอย่างนี้บ้างยกมือนซื้อมีไหมเออ เนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่คนอื่นมีเราจะต้องทำสิ่งที่คนอื่นทำเพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เราก็ทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรอะไรเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราอยู่กับโลกได้อะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นที่แท้จริงสำหรับชีวิตเราถ้าเรารู้ว่าใจเรายังจมอยู่ในกองทุกขงานหลักในชีวิตเราเนี่ยคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระให้ได้ เนะข้าสู่วิมุตต์ความหลุดพ้นให้ได้ต้องอิสระให้ไดนะ้แต่ถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เราก็จมอยู่กับของทุกข์เรื่อยไปเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นแล้วก็ตายไปอย่างที่คนอื่นเขาตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าพอเรารูนะ้ว่าใจของเราเนี่ยจมอยู่ในของทุกข์ใจมันจะต่อสู้นะเราก็ต้องมาสํารวจดูถ้าไมใจมันเข้าไปยึดไปถือนะเพราะว่ามันมีความอยากนะมันมีความอยาก พอเวลามันมีความอยากเกิดขึ้ น, นจิตจะเข้าไปทํางานอย่างเวลาเราอยากอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องเวลาเราอยากรู้เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งสังเกตไหมหจิตไปทํางานไปทําอะไรคิดใหญ่เลยใช่ไหมคิดหาคําตอบคิดนะคิดเองไม่ออกก็ไปถามคนอื่นเห็นไหมมันสอนเราอีกไปถามเขาดูสิเขาเรียกอะไรนะไปเปิดไปเซิร์ช Google เห็นไหมเออเนี่ยมันสอนให้เราทํามันโน้นสอนให้เราทําอย่างนี้นะ กุศลมันก็สอนให้เราทำํำจิตเราเป็นกุศลขึ้นมามันก็เกิดการกระทํากรรมตื่นแต่เช้ามารีบมาฟังหลวงพ่อประมุทเทศมาฟังธรรมะด้วยจิตใจที่เป็นกุศลจิตใจมีความสุขจิตใจมีความเบิกบานแต่ว่ามันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปความเบิกบานนี้แหละตอนหลวงพ่อใกล้จะเลิกเนี่ยจะเริ่มกลุ่มใจแล้วล่ะว่าทำไงจะเอาเปรียบคนอื่นนี้ออกไปได้ก่อนนะขับรถไปได้เร็ว ก, กว่าเขานะเป็นไหม โอ้เป็นเห็นไหมความสุขใช่หไหมอันเกิดจากกุศลของเราเนี่ก็สั้นๆนะความทุกข์มันก็เหมือนกันนะงันมีกิเลสเกิดการกระทํากรรมทางใจนะก็เกิดวิบากเกิดผลเป็นความทุกข์เวลาที่เราจะตัดปัญหาเนี่ยเราไม่ได้ไปตัดที่ตัวทุกตัวทุก์เป็นตัวผลแก้ที่ผลไม่ได้ต้องแก้ที่ตัวเหตนะุตัวเหตุก็คือตัวกิเลสของเราเนี่เอง เพ้นกิเลสมันอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่ใจค่อยๆสังเกตใจของเราไปเรื่อยมันทนสติทนปัญญาของเราไม่ได้หรอกค่อยๆสังเกตไปเวลาเล็กเวลาน้อยนะเท่าที่ทําได้เบื้องต้นอนะ่ะคนไหนขี้โมโหมีไหมในห้องนี้ยกมือคนไหนขี้โลบเจอเมียชาวบ้านก็ชอบเนี่ยรีบหดเลยเห็นไหมไม่กล้าดอมรับความจริงใจชอบนะห้ามมันไม่ได้นะ ห้ามมันไม่ได้ชอบรู้ว่าชอบแต่มีศีลมีธรรมเนี่ยนะคนไหนขี้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเก่งโอฟุ้งซ่านเยอะนะคนไหนชอบหดหูใจหดหูเนืองเนืองนะไม่มีอะไรจะทําก็หดหูเล่นนะทําตัวเป็นตังเอกซึมนะอ้อยส้อยอ้อยหญิงหวังว่าจะมีพระเอกนะมาปลอบใจนะเนี่ยจิตใจของเรามั น, ม, นมานยามากนะ แ้วกิเลสนั้มันซ่อนอยู่ในใจรู้มันเข้าไปสิรู้มันอย่างกล้าหาญไม่ใช่รู้เพื่อจะละนะไม่ใช่รู้เพื่อจะละให้รู้เท่าที่มันมีกิเลสนั้นมันอยู่ในกองสังขารนะกองสังขาระขันสังขาระขันเนี่ยเรียกว่ากองทุกข์หน้าที่ของเราต่อตัวทุกข์เนี่ยคือการรู้งนะั้นหน้าที่ของเราถ้ากิเลสเกิดให้รู้ทันกิเลสเกิดให้รู้ทันกิเลสไม่เกิดที่อื่นกิเลสไม่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกาย กิเลสเกิดที่ใจอย่างเดียวตอนที่หลวงพ่อหัดภาวนายังไม่ได้บวชเป็นโยมนะหลวงพ่อก็รู้แล้วว่าศัตรูที่แท้จริงในชีวิตเราก็คือกิเลสนี่เองนะวันหนึ่งนั่งภาวนาอยู่เห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาพอเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาดูสงสัยมันขึ้นมาจากไหนเห็นมันผุดขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยมันผุดขึ้นมานะตามไปดนะูพอเราตามไปดูปุ๊บมันริมหดตัวคล้ายๆตัวอะไรโผล่ขึ้นมาจากรูนะ พอคนเห็นนะรีบลดหัวลงไปหดหัวคราวนี้หลวงพ่อไม่ยอมปล่อยนะตามติดเลยตามดูมันเข้าไปข้างไหนลึกๆๆๆลงไปกาหนะมึงหนีไปถึงบาดาล น, นะจะตามไปถึงบาดาลหนีลงนรกจะตามไปลงนรกเลยนะจะตามดูให้มันถึงที่สุดเลยวันเนี้ว่ากิเลสมันผุดขึ้นมาจากที่ไหนดูลงไปดูลงไปมันหายวับไปเลยะอา้าวหนีไปไหนแล้วอ่ะคล้ายๆว่าเราดูไม่ทันมัน้งตามมันมามันหลบแอบหายไปแล้วอา้าวใจเย็นขึ้นมาใหม่ ขอให้จิตขึ้นมาใหม่ทําไม่รู้ไม่ชี้นะกระทบอารมณ์ไปเดี๋ยวพอกิเลสผุดขึ้นมาก็ตามดูอีกตามดูอีกหายไปอีกนะเข้าไปเลือกเลยก็หายไปอีกเข้าไปข้างในเนะี่ยหายอีกดูอยู่หลายวันนะจนวันหนึ่งเจอหลวงปู่สิมไปขึ้นไปสัมมาาที่เชียงใหม่แล้วแวบขึ้นไปถ้าผาปล่องหลวงปู่สิมท่านเห็นหน้านะท่านกวักมือเรียกท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้เข้าไปกราบท่านบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกกิเลสไม่ได้อยู่ในนั้น นะเนี่ยครูบาอาจารย์นะท่านเมตตาจริงๆเลยท่านรู้ว่าเรากําลังตะลุมบอลเที่ยวหาว่ากิเลสอยู่ที่ไหนพยายามมุดเข้าไปหานะพอเจอหน้าท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนะั่นหรอกเราก็งงๆหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกข้างนอกเราอุตส่าห์ส่งจิตเข้าข้างในหลวงปู่สิมบอกว่ามันไม่อยู่ข้างในอีกทําไงดีว่านึกถึงหลวงปู่เทสเห็นไหมมีเทติสินะแอนติเทติสิสมีซนะินเทติส หลวงปู่เทศบอกว่าผููใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอ๋อต้องอยู่ตรงกลางนะไปข้างนอกก็ไม่ได้หลวงปู่ดูลห้ามตามเข้าข้างในก็ไม่ได้หลวงปู่สิมห้ามนะงั้นอยู่ตรงกลางเนี่ยมีข้ออ้างเลยนะว่าหลวงปู่เทศสอนพรกักก็ไปดูอยู่ตรงกลางนะรักษาทํายังไงจะ ก, กลางนะหาทางทำอีกแหละว่าทําไงมันจะ ก, กลางเวลาที่จิตมันรู้อารมณ์พวกเราเคยเห็นไหมจิตเวลามันจะไปดูอารมณ์นะมันจะเคลื่อนไปที่อารมณ์ใช่ไหม แ้วมันมีผู้รู้มีสิ่งที่ถูกรู้เวลามันจะไปรู้อารมณ์นะจิมจะเคลื่อนไปที่ตัวอารมณ์พอะเรารู้ว่ามันเคลื่อนนะมันจะแตะเข้าที่ตัวอารมณ์หลวงพ่อไม่ให้แตะถ้าเราไปแตะที่อารมณ์นี่นะมันไม่กลางแล้วมันสุดโตงไปข้างหนึ่งแล้วถอยกลับมาพอมันทวนกลับมาที่ตัวรู้นะหลวงพ่อไม่ให้มันจับตัวรู้อีกนะถ้าจับตัวรู้เดี๋ยวมันสุดโตงอีกข้างหนึ่งถอยออกไปอีกเนีเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกมันวูบลงตรงกลางเลยนะโลกธาตุดับไปเฉยเยเลยนะ โอ้ตรงนี้ละมัง่งตอนนั้นไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งนะพอถอยออกมาว่าตรงนี้ละมั่งนิพพานดูเป็นอากาลิโกไม่มีเวลาเลยเพราะตรงนั้นไม่มีนาฬิกานะเพราะจิตรวมเราไปโลกธาตุมันหายในนาฬิกาก็ไม่มีพระทิพย์พระจันทร์ไม่มีสงสัยว่าถ้าฝึกตรงนี้มากๆเนี่ยจะได้พระอรหันต์จะได้เป็นพระอรหันต์เห็นไหมหาทางทำตลอดเวลาเลยนะวันหนึ่งก็ยังบุญนะไปสัมมาาที่เชียงใหม่อีกแหละ นะถาสัมมน า, าแล้วกลางคืนเขากินเลี้ยงกันหลวงพ่อหนีไม่ยอมเสียเวลากินเลี้ยงหรอกนะหนีไปตามวัดนะวัดกลางคืนจะไปที่ไกลก็ไม่ได้เรไปวัดสันติธรรมเพราะมีพระมาดักอยู่หน้าวัดนะตอนนั้นมืดแล้วละ่นะพระก็มาดักอยู่องค์หนึ่งท่านบอกว่าถ้าอาจารย์บุญจันทร์จะทําำผาพึ่งน่ยท่านมาพักที่นี่ให้ไปหาท่านหน่อยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ไปไม่รู้จักนะเราจะมาหาอาจารย์ทองอินจเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม นะท่านก็พยายามตื้อนะเราก็รู้ว่าพระอนี้ยอดตื้อเลยนะทุกวันนี้ยังนึกถึงท่านนะไมารู้อยู่ที่ไหนนะอยากกราบเท้าท่านเหมือนกันนะไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะเป็นชั่วโมงเลยออกมาเนี่ยค่ามา ก, ลกลนะาาลแล้วดึกแล้วหนาวเชียวล่ะปรากฏว่าพระองคนี้ยังยืนเฝ้าอยู่หน้ากุติของอาจารย์ทองอินท่านก็เศร้าซีไปเหอะไปเหอะนะเศร้าซีจังไปก็ไปไเจอหน้าอาจารย์บุญจันทร์นะท่านถามภาวนางไง ยังไม่ได้ส่งกันบ้านไม่ได้ถามเลยเลยนะซักอะไรเอานาไงเล่าให้ท่านฟังนะว่าเราไม่จับเข้าตรงโน้นไม่จับตรงนี้นะเราอยู่กลางๆนี่เราอยู่ทางสายกลางนะโดนท่านตวาดเอาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกถูกท่านตวาดสองครั้งนะที่แรกท่านตวาดครั้งแรกนึกว่าท่านไม่ฟังไม่ออกภาษาสำเนียงไม่เหมือนกันเล่าซ้ําครั้งที่สองเลยตวาดดังกว่าเก่าอีกนะเราเลยหลุดออกมากเลย รักษาจิตเอาไว้ตรงกลางก็ไม่ใช่อีกนะสังเกตไม้มที่หลวงพ่อเล่ามาตั้งแต่เด็กๆเกนะีเล่ามาตลอดเนี่ยมันคือเรื่องของการทำทั้งสิ้นเลยนะทำอย่างนี้สิแล้วจะดีทําอย่างนี้สิแล้วจะดีนะทําสารพัดจะทำเลยนะทำจิตให้ว่างไหมทำจิตอยู่กับสุญญตาทําจิตให้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะทําจิตเข้าไปข้างในนะแล้วรักษาจิตไม่ให้ไปข้างนอกนะรักษาจิตเอาไว้ตรงกลางสารพัด ท, ที่จะทํา นะแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรเจอครูบาอาจารย์ทีไรโดนช็อก บ, บาลทุกทีเลยนะมันไม่ถูกร่านะยภานาเรื่อยๆนะเราจะพบว่าจริงๆแล้วเราทําไม่ได้หรอกแล้วเราทําไม่ได้หน้าที่ของเรามันง่ายนิดเดียวนะง่ายจนกระทั่งพวกเรานึกไม่ถึงให้เรามีสติรู้สึกตัวขึ้นมาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูร่างกายทํางานดูจิตใจทํางานเรื่อยๆไปไม่ใช่ทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเราเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้ทําไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดู ไม่ใช่ผู้กำกับด้วยพวกเราเวลาปฏิบัติรู้สึกไหมเราชอบเป็นผู้กำกับคอยควบคุมใจของตัวเองใช่ไหมกำกับเส้นนะอย่าไปทางโน้นมันทางนีนะ้อย่าออกนอกนี่มาตั้งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหลวงพ่อเจอหลวงพ่อจะบอกว่าจิตไม่ถึงฐานนพยายามดึงจิตอุ้บอุ้อุอุนะดึงให้เข้าฐานซะจิตแน่นอึดเลยเนี่ยเราคิดแต่จะทําเมื่อสองสามเดือนก่อนนะก่อนเข้าพรรษามีพระองค์นึงมาถามหลวงพ่อวันนี้ท่านภาวนาเก่งนะ ท่านบอกเนี่ยผมพยายามนะปฏิบัติมาทุกวิธีทางแล้วทําไงมันจะหลุดพ้นนะมันเหมือนผมเนี่ยเดินรอบปูเขาเลยหาทางขึ้นเขานะขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็รู้ว่าไม่ใช่ลงมาแล้วก็หาทางไ่อีกแล้วก็ไม่ใช่ทุกวันเนี่ยหาทางตลอดเลยหลวงพ่อบอกว่าไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางหรอกทําไมท่านไม่รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแต่ท่านกําลังมีความโลภอยู่พวกเราเนื้อออกไหมที่เราปฏิบัติเนี่ยลึกๆเราโลภนะ รอบตื้นตื้นเนี่ยอยากรู้สภาวะเห็นไหมอยากแยกธาตุแยกขันได้อยากเห็นใจรักเนะี่ยหรือว่าอยากบรรลุมรรคผลบางคนหวยแตกกว่านั้นนะเริ่มต้นก็อยากบรรลุมรรคผลเลยนะที่แยกกว่านั้นออยากมีหูทิพตาทิพอะไรอย่างนี้นะยังไม่เจริญสติเลยนะ <c oughs> เนี่ยคิดแต่ว่าจะทำอะไรนะจะเอาอะไรใจมีแต่ความอยากตัวความอยากเป็นอะไรเป็นสมุทยัยเห็นไม ผลเป็นอะไรเป็นทุกข์สิ่งที่พกทุกข์ก็คือจะได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจกันได้ชาติได้ได้รูปได้นามมานี่เองตัวรูปตัวนามนี่แหละตัวทุกข์งั้นมีความอยากเมื่อไหร่นะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นงั้นเราจะมาพ้นทุกข์ด้วยการอยากเนี่ยไม่ได้แต่ให้เรารู้ทันใจที่อยากใจที่อยากรู้ยากไหมใครเวลาอยากรู้ไหมเคยรู้ไหมอยาก เออมันจะไปยากอะไรเหะอยากก็รู้ว่าอยากสินะโดยเฉพาะถ้าเริ่มต้นตอนนี้อาทุกคนดูซิใจอยากหรือเปล่าจะอยากทันทีเลยคืออยากรู้ว่าอยากหรือเปล่าเออมันจะอยากนะนะงั้นใจเรามีความอยากขึ้นมาให้รู้นะอย่างตอนนี้อยากฟังทำฟังสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านพออยากกลับบ้านเปลี่ยนใจอยากไปชอปปิ้งซะก่อนนี่นะเนี่ยใจมันจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะค่อยๆสังเกตไป ทุกคราวที่ใจมีความอยากเนี่ยจิตจะเกิดการบีบคั้นจะเกิดการดิ้นรนจะเกิดภาระทางใจขึ้นค่อยๆสังเกตไปอยากที่ไรนะใจก็บีบคั้นทุกทีนะใจมีภาระทุกทีใจก็ทุกทุกทีค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปนะจนวันหนึ่งสติปัญญาของเราแก่กล้าขึ้นนะเราจะรู้เลยว่าเนี่ยมีกิเลสจิตก็เกิดการกระทำกรรมนะก็มีผลเกิดขึ้นนะถ้ามีกุศลนะ ก็เป็นผลที่มีความสุขถ้าเป็นอกุศลก็ส่งผลให้มีความทุกข์นะแต่จะสุขหรือจะทุกข์นะก็ไม่เที่ยงจะกุศลหรืออกุศลก็ไม่เที่ยงงั้นการที่เราจะอยากถามว่าเราอยากอะไรบ้างนะเราอยากสุขใช่ไหมเราอยากสงบเราอยากดีอะไรเนี่ยสิ่งที่พวกเรานักปฏิบัติอยากอยากเป็นคนดีใครไม่อยากเป็นคนดีมีไหมถ้าไม่อยากเป็นคนดีแล้วอยากเป็นคนเลวไหม นะบางคนรีบบอกเลยอยากไม่เป็นคนนี่ฟังแล้วดูคมคายอยากไม่เป็นคนมันก็อยากแหละว่ามันจะเป็นหมาหล่ะสิทีเนีนะนะนะ้มันเป็นมันจะไปพูดเอาเองไม่ได้นะเนะี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะใจมีความอยากขึ้นมาให้รู้ใจมีความอยากขึ้นมาให้รู้กรรมาฐานอย่างนี้ง่ายๆใครๆก็ทำได้เด็กๆมันอยากกินไอติมมันยังรู้เลยนะมันอยากคุยอยากเล่นอยากอะไรมันก็รู้นะ ค่อยๆหัดสังเกตไปเนี่ยชมพูเนี่ยตัวยาวๆเนี่ยนะคลผมคล้ายๆหังมา้าชมภูเนี่ยเขาไปจัดคอร์สอบรมเด็กนะเด็กเจ็ดขวบถึงสิบขวบอะไรประมาณเนี่ยมันมีเด็กมันจะเห็นกิเลสของตัวเองนะมันเห็นผีขี้เกียดผีขี้กลัวนะผีขี้โกงผีขี้งกนะผีขี้เบื่ออะไรเงี้ยจะเห็นเนี่ยเด็กมันก็ดูเป็นนะดู แต่ตัวหนึ่งมันเห็นผีขี้ซามันเก่งจริงๆนะเจ็ดขวบมันเห็นใจที่ซาเพราะฉั้นการที่เราจะคอยรู้จิตรู้ใจของตัวเองไม่ยากหรอกนะถ้ายากก็ไปถามเด็กเจ็ดขวบดูว่าทํำยังไงนะแต่ทําไม่ได้หรอกอย่าคิดนะว่าจะทํำยังไงถึงจะดูได้ไม่ต้องทําอะไรหรอกมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็รู้เอาไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะค่อยๆหัดรู้ไปนะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะ แล้วใจมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันเลยอยากได้มรรคผลอยากมีสติอยากเก่งเหมือนเพื่อนอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้นะรู้เข้าไปรู้เข้าไปถ้าใจเวลาเรารู้ทันนะความอยากมันจะดับแมันดับชั่วคราวเดี๋ยวอยากใหม่อันนี้มันดับด้วยสติเราพอเวลาความอยากเกิดขึ้นเรารู้มันจะหายไปเพราะความอยากเป็นกิเลสนะเป็นโลภะที่มีกําลังแรงกล้าพอเรามีสติรู้ทันนันมันหายเดี๋ยวก็อยากใหม่ อันนี้มันจะชั่วคราวชั่วคราวแต่พอใจเราเป็นกลางแล้วไม่มีความโลภนะเรารู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็นไปด้วยต่อไปใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะมันจะพ้นจากความอยากนะด้วยปัญญาอย่างมันเห็นนะ่ะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไนะม่จะอยากอะไรทุกคนที่อยากกันอยู่ทุกวันนี้มันอยากอะไรมั่ง ก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นี่เกิดมันเห็นแล้วเหรว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรๆก็ไม่เที่ยงนะความอยากจะค่อยๆลดลงนะเมื่อความอยากมันค่อยๆลดลงเพราะปัญญาเนี้ยใจมันจะหยุดการดิ้นรนนะใจจะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขานะมันจะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงพวกเราสังเกตไหมว่าใจของเรากระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงตลอดเวลานะเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบใช่ไหมกระทบอารมณ์อย่างนี้ฟูกระทบอารมณ์อย่างนี้แฟบ เนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใจของเราเกิดปัญญาเมื่อไหร่นะเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้นะไม่มีอะไรคงทนถาวรถ้าใจมันรู้ความจริงอย่างนี้เนีเวลากระทบของที่ไม่ดีกระทบอารมณ์ไม่ดีใจก็ไม่แฟบนะไม่เดือดร้อนกระทบสิ่งที่ดีใจก็ไม่ฟูนะไม่เพลิดเพลินยินดีพอใจใจเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้าย ตรงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้นะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจที่หมดความยินดีนร้ายเนี่ยมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางมันมีอุเบกขาไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวเพราะใจมีอุเบกขาเนี่ยคล้ายๆใจมันนิ่งด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยนะมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยตรงตามความเป็นจริงได้อย่างแท้จริงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงพวกเรานักปฏิบัติเราชอบพูดคําว่าสักว่ารู้สักว่าเห็น ความจริงไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นหรอกมันอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ถ้ารู้ที่ดีก็อยากได้อีกนะถ้ารู้ที่ไม่ดีก็อยากละ <S <S มีแต่อยากอยากอยากซ้อนๆเข้าไปเรื่อยแต่ถ้ามันสักว่ารู้ว่าเห็นจริงในะใจมันไม่กระเพื่อมแล้วมันถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้ใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสภาวะทั้งหลายเพราะฉลาดรู้ความจริงแล้วว่าสภาวะทั้งหลายไม่ว่าสุขว่าทุกข์ว่าดีว่าชั่วว่ามืดว่าสว่างนะเพราะถ้าเกิดระดับทั้งเส้นเสมอกัน นะพอทุกสิ่งเสมอกันเนะี่ยใจไม่กระเพื่อมใจเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาอย่างยิ่งนะใจดวงนี้เมื่อมันไม่มีความหวันไหวไม่กระเพื่อมวันไหวถามว่ามันจะอยากอะไรไหมมันจะรู้โดยที่ไม่ได้อยากนะนจะรู้สภาวะโดยที่ไม่ได้อยากจะรู้ไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากละไม่ได้อยากอะไรเลยนะสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแท้จริงเพราะใจขาดจากความอยากเนี่ยนะใจมันจะวางจากโลกตรงนี้นะมันจะรวมเข้าข้างใน รวมภาพข้างในก็ไปเดินปัญญาข้างในอีกนิดหน่อยนด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆเลยสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแ ท, ท้จริงเลยตรงเนี้ยไม่มีความคิดความนึกนะไม่มีภาษามนุษย์ตอนนั้นเห็นแต่ว่าสภาวะบางสิ่งบางอย่างนะก็เพิ่มไหวขึ้นมาแล้วก็สลายไปก็เพิ่มไหวขึ้นมาแล้วสลายไปถามว่าสภาวะนั้นคืออะไรไม่รู้ทําไมไม่รู้เพราะไม่ได้สําคัญมั่นหมายว่าคืออะไรนะจะเห็นสภาวะธรรมทํางานไปจิตตอนนั้นแหละสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแ ท, ท้ จ, จริงเลยนะ ตรงที่เป็นกลางอนั้นยังไม่แท้จริงทีเดียวตรงนี้แหละแท้แท้เลยแต่ข้างในเนี่ยถัดจากนั้นเนี่ยจิต จ, จ, จะวางนะจิตมันจะหมดความอยากลนะมันจะไม่มีความอยากมันแค่รู้แค่เห็นแค่รู้แค่เห็นแล้วมันรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอยากนะ่างเนาะสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปจิตมันจะเป็นกลางอย่างแท้จริงแล้วมันจะวางนะมันจะไม่มีตัณหาภาวะที่ไม่มีตัณหาเ네นี่ยเกิดขึ้นภาวภาวะที่ไม่มีตัณหาเกิดขึ้นนะ เรียกว่าอะไรดูไหมรู้จักนิโรธไหมนิโรธนิพานนิพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาเพราะเราเจริญสติเจริญปัญญามาเรื่อยๆนะจนใจหมดอยากเพราะปัญญาอย่างแท้จริงที่แรกก็อย่างปัญญาอย่างโลกียะอยู่นะอยู่ข้างนอกอย่างเนี้ยต่อมามันรวมเข้าไปข้างในนะไปอยู่ใต้จิตสํานึกเลยแล้วไปเห็นสภาวะเกิดดับอยูนะ่โดยที่ไม่ได้มีความอยากอะไรเกิดขึ้นนะสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างแท้จริงนะ ตัณหาเนี่ยไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีอะไรจะไม่มีพบจะไม่มีแล้วพบไม่มีจิตก็เข้าสู่โล ก, กุตระนะแล้วโล ก, กุตระธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นเองนะเพราะว่ามันสิ้นตัณหานั้นนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาในขณะที่อริยามรรคเกิดเนี่ยจิตสัมผัสพระนิพพานไม่ใช่สัมผัสกิเลส ต, ตัณหาอะไรแล้วนะจะจิตสัมผัสกับพระนิพพานแล้วเนี่ยอาสวะกิเลสที่ห่อพุ่มจิตอยู่นันจะแตกสลายออกไปอ่ะ แต่ว่าถ้าเป็นอริยมรรคขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่3เนี่ยอาสวะที่หุ่มจิตเราอยู่นะันจะแตกชั่วคราวเดี๋ยวเมื่กีกลับมาปิดใหม่ถ้าขั้งที่4เนี่ยถึงจะขาดสาวนนะเพราะว่าเราล้างเชื้อเกิดข้างไหนแล้วคืออวิชาได้เพราะพวกเราต้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปแล้ววันหนึ่งเรารู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเราเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนั้นเสมอกันจะมืดหรือจะสว่างก็เสมอกันจะหยาบหรือจะละเอียดก็เสมอกัน จะเป็นภายในเป็นภายนอกจะอยู่ใกล้จะอยู่ไกลนะเสมอกันหมดเลยสภาวะธรรมทั้งหลายเสมอกันหมดใจก็ไม่กระเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงนะวันนงใจก็ถอนไม่มีตัณหานะหมดความอยากเวลาอยากรู้สึกไมมกระเพิ่มนะกระเพิ่มมันสร้างพบตรงที่มันกระเพิ่มขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าพพนะทางานกระเทือนขึ้นมาภายในนะตอนที่สิ้นตัณหามันไม่มีพบนะจิตแล้วหดออกจากภบบสุดท้าย เราก็จะภาวนาไปเรื่อยๆนะจกนกระทั่งแคปซูลที่ขังเราเนี่ยแตกนะแตกแล้วสลายไปเลยนะไม่กลับมาอีกลนะเมื่อเรารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจนะบอกไว้เลยว่าต้องรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยจิตจะมีเชื้อเกิดอีกนะอวิชามีอยู่นะอาสวะจะมีอยู่นะอาสวะมีอยู่อวิชาจะมีอยูนะ่นี่เป็นเรื่องที่พรพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมา รู้จักอาวิชาไหยรู้แต่ชื่อไม่เคยเห็นเนาะค่อยๆหัดไปนะตอนนี้ยังไม่เห็นหอกอาวิชาภาวนานมาถึงจุดอย่างพวกเรานะเราเห็นได้ตรงไหนเรามีตาไหมรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมรู้จักการกระทบอารมณ์ไหมตามองเห็นรูปมีผัสสะรู้จักไหมรู้จักสุขทุกข์ไหมมันเกิดขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเวลามีความสุขราคะแทรกรู้ทันไหม เวลามีความทุกข์โทสะแทรกรู้ทันไหมนะเวลาไม่สุขไม่ทุกข์จับอะไรไม่ถูกงงงโมหะเอาไปกินอีกนะเวลามีกิเลสเกิดขึ้นแล้วใจมันจะมีความอยากนะมีราคะเกิดขึ้นมันอยากอะไรได้มันอยากได้มาถ้าได้มาแล้วอยากรักษาอยากได้มาเรียกว่ากรรมตันหาอยากรักษาเรียกว่าภาวะตันหาถ้ามีโทสะขึ้นมาก็อยากให้หายไปมีมิภาวะตันหาขึ้นมานะพอมีตันหาขึ้นมาจิตจะถูกบีบคั้นจิตจะกระเพิ่ม นะจิตีะกระเพื่อมหวั่นไหวนี่มันสร้างภพขึ้นมานะสร้างภพขึ้นมาแล้วมันก็ได้ความทุกข์ขึ้นมาเพวกเราจะเห็นปฏิจจสมบัติ ท, ท่อนปลายนะเรายังไม่เห็นท่อนต้นหรอกแต่ค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปรู้อย่างหนึ่งก็แล้วกันนะตอนเนี้ว่าพวกเราติดคุกอยู่จะต้องหาทางให้รู้ให้ได้ว่าตัวเองกําลังถูกขังอยู่ถ้าไม่รู้เนี่ยไม่มีกําลังใจที่จะแหกคุกหรอกแต่ถ้ารู้เมื่ อ, อไหรนะ่นั้นมันจะมีกําลังใจมัทนอยู่ไม่ได้หรอกเรื่องอะไรต้องติดคุกตลอดไป นะถ้าภาวนาไปแล้ว เ, เห็นตรงนี้ได้นะใจจะไม่ยอมอยู่กับโลกแล้วจะต้องแหกคุกให้ได้แล้วก็ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้จิตใจของตนไปนะจนมันถึงจุดที่สิ้นตัณหาสิ้นตัณหานะเพราะสิ้นอย่างแท้จริงนะโดยการที่สิ้นอวิชชาเพราะอาวิชชาไม่มีอาสวะไม่มีอาสวะไม่มีอวิชชาไม่มีเนะนี่ยมันจะใกล้กันอยู่อย่างเงี้ยค่อยๆฝึกไปแล้ววันหนึ่งเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริง พระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่วรวมเป็นอันเดียวกันคือความบริสุทธิ์ความเป็นอิสระเป็นความบริสุทธิ์อันนี้พวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงได้นะเพราะพวกเราได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยลำบากมากเลยต้องรูปครัมเอาเองเป็นพระปัจเจกเป็นพระสัมมาสัมพุทธะนะพวกนั้นท่านหาเอาเองถ้ายินสีพวกเราไม่แกะกล้าพอบา ร, รมีเราไม่พอนะเราอาศัยฟัง ที่พระพุทธเจ้าสอนค่อยๆเรียนไปนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะนิพพานไม่มีพระพุทธรูปไปนั่งเข้าแถวไม่มีนะนั่งห้อยขาบ้างนั่งก้อยขาอะไรางนี้นไม่มีทั้งสิ้นเลยนะละนั่นเป็นโลกอย่างหนึ่งเป็นภพอย่างหนึ่งนะที่จิตสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นเลยนะนี่พานที่แท้จริงคือสภาวะที่สิ้นตัณหานั่นแหละค่อยๆฝึกไปพอสมควรแก่เวลานะวันนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ คือมีความรู้สึกว่าจากการปฏิบัติโดยตลอดเนี่ยเดี๋ยวนี้คือจิตไวต่อการกระทบมากขึ้นแต่ก็รู้คือแค่รู้ว่ามันมากระทบแล้วก็ใจสุขทุกข์แต่การที่ดูไตรลักษณ์นี่บางทีไม่แน่ใจว่าคิดเองหรือเปล่าถ้าใจมันขึ้นมาถึงขั้นที่มันแยกขันได้นะมสมาธิถูกต้องสติระลึกรู้สภาวะได้มันเห็นไตรลักษณ์เองแหละ งั้นไม่มีอะไรต้องสงสัยหรอกอดดูไปนะแล้ววันหนึงใจค่อยฉลาดขึ้นเรื่อยๆรู้สึกไหมมันห่างโลกไปครับแต่มันห่างโดยที่ไม่ได้ดิ้นนะไม่ใช่เกลียดโลกนะมันอยู่กับโลกนี่แหละแต่ว่ามันห่างออกไปห่างออกไปคือมองโลกไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนถ้าเหมือนเดิมก็ใช้ไม่ได้สิมันก็มองแบบที่คนทั้งหลายเขามองที่สัตว์ทั้งหลายเขามองไม่ใช่ลูกหลานพระพุทธเจ้ามองหรอ แล้วการที่ภาวะที่แยกขันคือการที่เรามองทุกอย่างเป็นแต่ละส่วนกันใช่ไหมฮะแต่เราไม่จงใจน ะ, ะอย่างขณะเนี้ยจิตเออรอรนิดนึงรู้สึกไหม<ะ>มันจะแยกแยกจริงนะแต่มันแยกไม่เป็นธรรมชาติ<ะ>ถ้ามันแยกตามธรรมชาตินะใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลค่องแคล่วว่องไวสบายๆใจจะไม่ได้แยกแบบแข็งๆนะไม่ได้จงใจแยกแยกเองด้วย ฝึกไปครับแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนํำไหมครับให้รู้ทันกิเลสน ะ, <ฮ>ะรู้ทันกิเลสกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสนะหลายชั้นซับซ้อน <ฮะ S 2> ค่อยๆดูไปครับขอบคุณครับจะดูที่แท้จริงของเรานั่นแหละเจอกิเลสของเราเองครับนะขอบคุณครับครับธรรมศาสการหลวงพ่อครับผมเห็นอะไรบางอย่างมากกว่าเดิมเยอะครับค่อยๆฝึกไปนะ ของเก่าที่เราทำเนะี่ยเราทํามาทางเพ่งครับนะมันบังคับตัวเองมากไปครนะเพราะเรารู้ว่ามันบังคับมากไปนะมันเป็นการเข้าไปแทรกแซงครับเราอยากใช่ไหมอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้มีที่อยากเราก็สร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาภพของนักปฏิบัติมันจะครียดเครียดมากกว่าภพของมนุษย์ธรรมดานะอย่างบังคับกายบังคับใจไปเรื่อยเป็นอัตตะกิลมฐานโยก นี่พอเรารู้ทันนะใจค่อยคลายออกนะรเราก็จะดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นได้นะค่อยๆลดการบังคับลงกรับนมะักนสการหลวงพ่อคะ่ะส่งครั้งครั้งที่สองคะ่ะครั้งแรกหลวงพ่อให้ไปดูโทสะคะ่ะก็ฟังปฏิบัติมาเจอหม ค่ะก็เจอแต่เจอเยอะกว่านั้นอีกค่ะเจอหลายอย่างเลยค่ะทีนี้สภาวะธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่รู้สึกสงสัยมาตลอดก็คืออยู่ๆมันลงไปแล้วมันก็หายไปเลยอแล้วก็กลับมาด้วอ้าวเรายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรหายไปหมดเลยป่ะหายไปหมดเลยแต่เหมือนกับเรายังยังเห็นอยู่ยังรู้อยู่อย่างเงี้ยค่ะยังมีความรู้สึกตัวอยู่ไหมรู้สึกตัวแต่ว่าไม่ไม่เห็นตัวเองเอออย่างนั้นใช้ได้ นะถ้าแยกออกไปอย่างนั้นแล้วพอกลับมามีร่างกายรู้สึกไหมร่างกายกับจิต น, น่คาคนละอันกันใช่อันนั้นชัดเลยว่ามันเม น, น<า>เกิดความตื่นเต้นแล้วก็เกิดว่าไอ้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นเนี<ะ>่ยมันจะแยกขันได้<ะ>ที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้นี้จําได้ไหมตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆที่เราพอนาน จ, จนเหลือแต่ตัวรู้เหลือแต่จิตดวงเดียว่านะัร่างกายไม่มีะพอกลับมามีร่างกายเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ากายกับจิตน่าควละอันกัน ค่ะอันนี้ก็จะค่ะอันนี้ก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นแล้วก็สิ่งที่สงสัยนวันวนี้หลวงพ่อได้เทศเได้ไ ด, ได้ได้ความกระจ่างขึ้นนะคะว่าต้องทำไปเพื่ออะไรอย<ม>่างเงี้ยคะ่ะเราต้องทำยังไงต่ออันนี้ในในส่วนลึกๆเนี่ยคือมีมีความอยากอันนึงที่อยากจะบอกกับคนอื่นนะคะจะ ม, มีจะมีคนมาถามว่าคือเราไม่เหมือนคนอื่น หน้าตาหรือว่าการกระทําหรือว่าลักษณะเนี้ยค่ะจะมีคนมาถามว่าทําไมเราไม่เหมือนคนอื่นเราก็อยากจะบอกว่าเราปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่เราไม่กล้าบอกว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเราไม่บอกเขาก็ดีนะเราบอกว่าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติอนะไรเงี้ยถ้าถ้าเราไปโชว์ตัวว่าเป็นนักปฏิบัตินะ่ะ สังคมที่ป่าดเถื่อนเนี่ยมันจะเรียกร้องกับเราสูงมากเลย <c oughs> แค่เราโกรธทีเดียวมันจะด่าเลยนะปฏิบัติยังไงขี้โมโหยังพูดยังก็กิเลสละง่ายเนาะ <c oughs> เราไม่โชว์แล้วเราปลอดภัย <c oughs> ถ้าโชว์แล้วมันคาดหวังเยอะนะ <c oughs> บางคนนะมีอย่างนี้นะภรรยาเนี่ยภาวนาสามีก็ส่งเสริมนะเสรีส า, ร า, ามีไปมีเมียน้อยนะ ภรรยาหึงเธอปฏิบัติทำมันหึงก็ดูสิหึงรู้ว่าหึงเพ่า อ, อย่างนี้มันก็เกินไปนะค่ะแล้วก็อันงก็คือหลวงพ่อเมื่อกี้ได้เทศเรื่องของไม่ใช่ภาษามนุษย์นะคะมีมีความรู้สึกเหมือนเข้าใจแต่ตอนนี้มันประมวลไม่ได้ว่าเข้าใจยังไงไม่ได้มั น, ม น, มนพอคิดทวนซ้ำเนี่ยนะไม่รู้จะบัญยัติออกมาได้งไงคนโบราณเขามีสั์อยคำแบเหมือนคนใบ้กินบรเพชร ในเวลาเราไปเห็นสภาวะข้างในของเราจริงๆนะเหมือนคนใบ้กินบัลลเพชรจะมาบรรยายว่าขมยังไงนะบรรยายไม่ได้อ่ะพูดไม่ออกมาถามว่าแล้วมันคืออะไรบรรยัติบรรยัติญญขึ้นไม่ได้นะมันเกินภูมิของเราค่ะเราต้องไปทําอะไรต่อคะรู้ทันกิเลสนะนะกิเลสเรามีหลายตัวหลายชั้นทุกคนแหละค่อยๆเรียนไปมันจะประณีตประณีตเข้าไปกิเลส ท, ที่ละเอียดเข้าไปหน้าตาเหมือนกุศลนะ บางทีอย่างเช่นเราเจอใครเราก็ชวนปฏิบัติลูกเดียวเลยเรานึกว่าเนี่ยใจบุญใจกุศลความจริงอยากโออวดบ้างโลบบ้างอยากนั่นแหละอยากให้เขาดีบ้างอะไรเนี้ยกิเลสพอละเอียดแค่นั้นดูหน้าตามันเหมือนคนดีนะเ่ยเราค่อยรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยๆเป็นลำดับลาดับนะและกิเลสนั่นแหละศัตรูของเราะกาบมาสการค่ะ นรมัตซ์กาหลวงพ่อคะอ่ะก็เป็นครั้งแรกที่มาส่งกันบ้านตื่นเต้นมากค่ะก็มีมคําถามหรือยังไม่รู้เรื่องอีงหนึ่งนะไม่เฉพาะส่งกันบ้านครั้งแรกหรอกที่ตื่นเต้นครั้งที่สิบก็ตื่นเต้นก็คือมีคําถามอยากถามหลวงพอ่อหลวงพ่อถามเราดีกว่ารู้สึกไหมว่าร่างกายกระใจเนี่ยคนละอนกันรู้ค่ะเอรู้สึกไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายกระใจก็คนละอันกัน อย่าสุขทุ ก, ทกข์เนี่ยกระใจความสุขไม่ใช่ใจหรอกมันผ่านเข้ามาแล้วก็ไปผ่านแล้วก็มาแล้วก็ไปความดีโลภโกรธหลงไม่ใช่ใจหรอกมันผ่านมาแล้วก็ไปค่อยๆ แ, แยกแยกแยกไปเลยนะแล้วต่อไปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดได้ดับได้อย่างร่างกายตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราเราจะเห็นแล้วเพราะอะไรเพราะมันแยกออกไปแล้วความแยกออกเป็นส่วนๆเนี่ยความเป็นเราจะหายไปเพราะอะไรความเป็นเราจริงๆไม่มี K K K ความเป็นเราเนี่ยมันเกิดจากขันห้านีมันมารวมตัวกันสัญญาความหมายรู้ของเราเข้าไปหมายนะว่าหมายทั้งกลุ่มทั้งก้อนนะว่ากลุ่มนี้แหละคือตัวเราแต่ถ้าเราสามารถแยกสิ่งที่เป็นกลุ่มก้อนนะขันห้านี่แยกออกเป็นส่วนๆได้กายกับใจคนละส่วนนีส่วนที่เราแยกออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเราอีกแล้วนะแ ล, ล้วเผลอเมื่อไหร่มันก็หมายรู้ผิดว่าเป็นเราอีกพอหมายรู้ผิดก็คิดผิดพอคิดผิดก็เชื่อผิดเกิดความเห็นผิดขึ้นมา งันการที่เราจะทําลายการหมายรู้ผิดๆได้นะว่ามีตัวมีตนเนี่ยเราก็หันแยกไปแยกขันไปนะแยกจนถึงสภาวะเชิงเดียวเช่นความโกรธเงี้ยความโกรธนี่แยกต่อไปไม่ได้ละนะเป็นสภาวะธรรมจริงๆแล้วความโลภนี่แยกต่อไปไม่ได้ละน ะ, ะกายกใจนี่ยแยกกันได้งั้นเราแยกจนกระทั่งแยกไม่ออกนะถึงสภาวะตัวเดียวทจริงนะแล้วสภาวะนั้นอ่ะจะสอนธรรมะเราว่ามันไม่ใช่เราหรอก ก็ขอถามคำถามก็คือหนูติดอยู่กับความกลัวค่ะอืเป็นความกลัวที่ไม่มีเหตุผลหนูตัวอย่างนี้ความกลัวก็ไม่ใช่จิตความกลัวเป็นอีกสิ่งหนึ่งยังเห็นไหมบางทีก็ไม่กลัวบางทีก็กลัวรู้สึกไหมเราไม่ได้กลัวอยู่ตลอดเวลานี่นะถ้ากลัวตลอดเวลาต้องปรึกษาจิตแพทย์เลยนะถ้ามันกลัวขึ้นมาเราเห็นกลัวกับจิตโคูลานกันมันครอบงําจิตไม่ได้นะแต่อไปความกลัวมีอยู่นะแต่จิตไม่กลัว อย่าเห็น่างนี้ค่อยๆฝึกไปขอบคุณค่ะเรากลัวโน่นกลัวนี่นะบางคนไปพรนาที่วัดหลวงพ่อนะกลัวตุ๊กแกกลัวงูกลัวผีสารพัดจะกลัวเลยมีอย่างหนึ่งที่ไม่กลัวนะไม่กลัวเกิดกลับน้ำตาการหลวงพ่อครับก็ผมนั่งสมาธิมาหลายปีแล้วแล้วก็ จิตมันชอบเข้าผวังครับคือมันหลับนะครับจิงอยากกลับเรียนถามออกมาข้างนอกนี่นะนะแล้วมันดูร่างกายแยกร่างกายเป็นส่วนๆเนะช่นกําหนดจิตเนี่ยเหมือนกระชากผมออกไปกองหนึ่งถนะอนผมออกไปกําหนดจิตมือไม่ต้องถอนนะกําหนดถอนออไปดึงหูออกไปดึงจมูกออกไปควักลูกตาออกไปกําหนดด้วยจิตนะแยกร่างกายเป็นท่อนๆท่อนๆออกไปแล้วหักกระดูกเป็นท่อนๆนะแยกกระดูก ให้มันกร ะ, ะจายไปให้หมดเลยนะอย่างเนี้ยมันจะได้ไม่ไม่ไม่ติดเข้าไปข้างในอย่างนั้นแล้วสงสัยว่าพวงกับสมาธิหรือว่าเข้าชาญอะไรนี้มันเกี่ยวข้องกันไปมครับเอออย่าไปเรียนอย่างนั้นเลยเสียเวลานะพูดกันนานเนะี่ยคนเขาว่าเอาไปหัดแยกขันแยกกายนั่นแหละถ้าถ้านั่งสมาธิมากนะ่ะกระทังใจมันซึมมันจะหลับลูกเดียวเนี่ยมาฉีกร่างกายเป็นชิ้นๆเลย ต่อไปจิตมันจะมีแรงขึ้นมามีกําลังขึ้นมานะมันจะไม่หลับง่ายะความจิตมีพลังขึ้นมาแนละ้วมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรากายไม่ใช่จิตกายกับจิตนี่แยกออกจากกันครูบาอาจารย์จํานวนมากนะท่านผ่านมาทางนี้แหละทางกายนี่แหละเพราะว่าพวกที่ทําสมาธิมากต้องมาพิจารณ์ ก, กายครับหลวงพ่อครับแล้วผมปกติฟังหลวงพ่อจากทาง youtube แล้วก็ที่ว่าจิตปกติมีการเกิดดับอันนี้เข้าใจครับ แล้วก็ที่หลวงพ่อบอกว่าลดจิตแปรสภาพเป็นธาตุรู้เนี่ยครับโอ้ยไม่ได้ยังไม่เห็นเนี่ครับถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เข้าใจหรอกอยากเห็นจิตเกิดดับเนี่ยเห็นนะ่ยก็เข้าใจก็สงสัยว่าธาตุรู้ยังเกิดดับหรือเปล่าครับไม่ตอบหรอกนะครับครับขอบพระคุณครับถ้าตามเดี๋ยวตกไปข้างมิจฉาทิฏฐิขอบพระคุณครับน้ำมัสการเจ้าค่ะ อยากจะทราบว่าที่หนูปฏิบัติภาวนาค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนํำค่ะว่าปฏิบัติมาถูกทางอะไรนั่นมาถ้าเดีเช้าแล้วนะหนรูรู้ทันจิตใจตัวเองไหมก็รู้ค่ะ <c oughs> รู้ทันไหมโลบกรดหลงอะไรเวลามันมารู้ไหมรู้รค่ะเอรู้ได้บ่อยไหมบ่อยค่ะเออทานั้นก็ดีแล้วค่ะ <c oughs> ถ้ารู้ทันกิเลสของเรารู้สึกไหมใจเราสบายขึ้นค่ะใช่ที่เรียนนั้นแหละศัตรูทําให้เราเป็นทุกข์ค่ะค่อยๆรู้ค่อยๆดูไป เม uh huh. ื่อไรกิเลสตัวสุดท้ายนะั่นคือความหลงนะความหลงผิดนะความหลงผิดที่ร้ายที่สุดเลยความหลงผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราเนะี่ยค่อยๆดูไปหรือขันห้าเป็นตัวดีเป็นตัววิเศษนะถ้าปัญญากแก่รอบจริงขันห้าไม่ใช่ตัวเราขันห้าเป็นตัวทุกถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะวางขันค่อยๆฝึกถึงวันหนึ่งมันจะไปสู่จุดนี้อ uh huh. ค่อยทอาําออกสาธุการ ก, การนวัสนการหลวงพ่อค่ะเออคือฟังซีดีของหลวงพ่ออย่างจริงจัง<ๆ>ก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะ<ม>ตะก่อนนี่เคยมีซีดีของหลวงพ่อเมื่อสิปีที่แล้วขอสารภาพว่าตอนนั้นฟังไม่เข้าใจ<ม>ก็เก็บเอาไว้<ม>จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพี่สาวมาแนะนําบอกว่าไปปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อ ม, มาที่ชนบุรีก็เลยงานซีดีนั้นขึ้นมาฟังใหม่จากสิปีที่แล้ว<ม><ม>พอมาฟังในรถเออช่วงที่ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ์มาเนี่ยรู้สึกว่า เข้าใจมากขึ้นจากที่ไม่เตอเข้าใจค่ะขันมนแยกแล้วล่ะนะขันมันแยกได้แล้วค่ะพอเข้าใจปุ๊บทีนี้ยแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติจริงๆแต่รู้สึกว่าฟังเสียงหลวงพ่อรู้สึกว่ามีเมตตาแล้วก็ประทับใจตรงคําที่ผู้หลวงพ่อพูดว่าคนที่ตั้งใจจะปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยากแต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งใ จ, จเป็นสิ่งที่ยากสําหรับเขาก็เลยรู้สึกมีกําลังใจแล้วพอฟัง youtube ของหลวงพ่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเดินสิงหายูทูบปรากฏว่าไปเจอของคุณมาลีเป็น เป็นคนที่จุดประกายอีกคนนึงเหมือนกันบางีเป็นคนถูกกระดิกกับการเดินจงกร ม, มเพราะว่าตอนเ้าวชาจะพาคุณพ่อไปเดินที่สวนทนบุรีบ่อยแล้วจะใช้อิเลียบทในการเดินเนี่ยเป็นตัวสภาวะเป็นตัววิหารธรรมของตัวเองก็เลยตรงนั้นก็เลยปิ้งขึ้นมาได้เลยว่าพวกเราชอบเดินแล้วก็เลยตั้งแต่ลูกเก้าเดินใช้อิเลียบทด้วตรงนี้แล้วนะค่ะแล้วทีนี้ตั้งแต่สิงหาคมมาก็เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังทุกวัน3ามเดือนเต็ม ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตอนเช้าตื่นมามประมาณตีสามครึ่งมั่งแล้วกออ็จนมีอยู่วันหนึง่งขณะขับรถอยู่ฟังซีดีใจมันแวบไปถึงโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างๆใจไปแวบไปว่าอยากจะหยิบมันขึ้นมาแต่ใจมันวิ่งออกไปได้ก็รู้สึกเออมันเกิดอะไรขึ้นใจมันวิ่งออกไปตรงนั้นได้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขับต่อต่อไป อ, อันนี้คือสงสัยข้อที่หนึ่งแล้วก็ก็ปฏิบัติไปบางวันที่เดินจงกรมก็ง่วงมั่งเห็นจิตที่ไหลออกไปมั่งวันวันึงยิ่งเฉพาะช่วงเดินจงกรมเนี่ย จิตมันไหลออกไปเยอะมากเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้ น, น, นเรืนี้เห็นมากมตอนนี้ ม, นมากเลยค่ะเป็นร้อยๆๆเรื่องไม่อยู่ในแคปซูลอย่างที่หลวงพ่อพูดมันออกไปเป็นร้อยเรื่องก็รู้ว่ามันออกรู้ว่ามันออกลแล้วเลืองใหม่ก็เกิดขึนเร<ใ>ื่องใหม่เกิดขึ้นเยอะมากเหมือนไม่ใช <น S 1> ่ว่าไหลออกเป็นนอกแคปซูลหรอกแล้วจนกระทั่งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วสองสามสัปดาห์ที่แล้วมันมีเรื่องทุกข์ใจเกิดขึ้นอยู่วันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่เรื่องภายในวันเดียวกันทีละสเต็ปทีละเรื่องทีละเรื่องเข้ามาให้ทุกข์ใจกระทบใจกว่า โอ้นี่ละใจมันสั่นๆตรงเนี้ยเรียกว่าโทสะแน่เลยเพราะมันมันรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีก็เลยคิดถึงคําที่หลวงพ่อพูดแบบว่าอันนั้นเอาตัวเนี้ยแหละดูมันลงไปเลยอืก็ลองตั้งใจดูมันลองดูมันดูมันระหว่างวันก็ดูมันไปบางช่วงบางตอนเวลาเราลืมมันไปเราไม่ได้ดูแล้วก็เออแล้วก็ไม่ทุกข์นี่นาแต่บางช่วงนี้เราหยิบขึ้นมามาคิดแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาจนสามสี่วันจะมีอยู่วันหนึ่งมันรู้สึกว่าอืม อ๋อมันออกขึ้นมาได้เองแบบที่เราที่เรามาอาเก็บมาคิดนี่เป็นเัวเราอ่ะอืมไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้ดั่งใจเรื่องนี้มันไม่ได้ดั่งใจเราเลยถึงเป็นทุกข์นี่นาเราเราก็ เ, ออเลยพอให้ดูตรงนี้นะไม่ใช่ว่าทํายังไงจะไม่คิดนะจิตมันเรื่องมีข้อข้องใจอยู่มันต้องคิดเค่ะเห็นไหมมันคิดได้เองให้ดูอย่างนี้นะเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าจะฝึกทํำยังไงไม่ให้คิดนะเจ้าค่ะให้ดูว่ามันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยฝึกเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ เห็นไหมมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอดูไตรลักษณ์นะไม่ใช่ดูว่าทำยังไงจะดีทําไงจะสุขทําไงจะสงบทําไงจะไม่คิดให้รู้อย่างที่เป็นให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยววัตถุประสงค์ของการปฏิบัติมันคลาดเคลื่อนแต่พอพอเราเราลาตรงนั้นได้เราไม่ได้คิด แล้วเหตุการณ์ความทุกข์ทั้งหลายมันก็คลี่คลายของมันไปเองแล้วก็อ๋อมันมันก็ดับไปของมันเองนี่เองเราก็มัวแต่ไปยึดติดไปทุกข์กับมันอยู่ในคิดเยอะไปในคิดนําไปค่อยๆดูสภาวะไปคจนกระทั่งมาสองวันก่อนระหว่างขับรถก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเรามีความทุกข์นะเรามีที่ยึดมั่นแล้วเราไม่ทุกข์เราคิดว่ามีเราจะดูดูลงไปดูลงไปเราสบายใจขึ้นมารู้สึกยิ้มขึ้นมาให้กันบ้านนะแต่เป็นนี้ต้องไปทํานะจ้าค่ะ เดินจงกรมนั่นแหละแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆไม่ห้ามนะไม่ดึงคืนด้วยคนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ดีต่อไปนี้ไปเดินจงกรมหรือไปทําอะไรก็ตามถ้าจิตเคลื่อนให้รู้จิตเคลื่อนให้รู้ทําอันนี้อันเดียวก็พอแล้ว<น>ะแล้วมันจะดีเองนะไม่งั้นจะฟุ้งซ่านเป็นคนฟุ้งซ่านเก่งนะเคอให้คนอื่นบ้าะเดี๋ยวเขาจะทุบเขาเขาก็รอนานนะเเครียดนะคนที่รอเนี่ยเครียดมากเลย นรรมมรรการหลวงพ่อค่ะทุกวันนี้เจอหลวงพ่อใน Facebook ทุกวันเลยค่ะหลงพ่อไม่ได้เคยเข้าไปเสียที <c oughs> หนูไม่มีโอกาสมากแต่ต้องดูทาง Facebook อ่อค่ะอ๋อได้อะ่ะทุกวันนี้ก็จะพยายามปฏิบัติในรูปแบบทุกวันช่วงเช้าสภาวะตอนนี้ที่มีคือจะมีอาการรู้สึกเหมือนมีเหงื่อออเหมือนลอลไรนะ รู้สึกว่าเหมือนมีเหงื่อออกค่ะแล้วมีเหงื่อแล้วก็เวลารู้ที่ตัวเนี่ยมันจะรู้อืมเบาบ้างหนักบ้างออแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเอียงไปทางซ้ายเอียงไปออทางขวาแล้วก็ออมีเ อ, อร้อนวูบขึ้นมาบ้างออชาตามตัวตามส่วนต่างๆของร่างกายบ้างออค่ะ ทำไมฟังแล้วอาการคล้ายไหวทองไงเขาไม่รู้รอนวูบวูบบ้าบ้าเราพอนานะร่างกายเป็นไงก็ได้ไม่สำคัญหรอกนะร่างกายเป็นไงให้รู้ไปแล้วถ้าใจเราเช่นมันวูบว้าวูบบาวเนะี่ยังไปยังมาเราสงสัยมันเป็นอะไรนะรู้ว่าสงสัยให้รู้ทันใจนะอย่าทำใจให้นิ่งๆนะยังติดที่จะทำใจให้นิ่งๆอยู ปล่อยให้ใจมันเคลื่อนเป็นธรรมชาติเลยสงสัยก็รู้กลัวก็รู้กังวลก็รู้ดีใจเสียใจก็คอยรู้รู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันของชโวคราวเนี่ยอย่าอย่าประครองจิตอย่างนี้นะอย่างนี้ประครองไว้มันจะนิ่งๆกว่าความเป็นจริงอย่าเวลาเราตื่นเต้นมากๆใช่ไหมเราไปประครองดูออกไหมว่าเราแทรกแซงจิตให้รู้ทันเข้าไปเอออย่างนี้แหละเนี่ยอย่างนี้ถึงหลุดออกมาเห็นไหมอย่างนี้ใช้ได้นะอย่างนี้แหละถูก พอเรารู้ว่าเราแทรกแสมก็หลุดออกมาใจมันก็เคลื่อนไหวเนี่ยใจอยากพูดรู้สึกไหมเนี่ยความอยากพูดมผุดปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้ทันเห็นไหมมันผุดเองมันผุดได้เองมันดับได้เองเนี่ยการภาวนานะก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดได้ดับได้เกิดมาแล้วก็ดับเกิดมาแล้วก็ดับเนีคอยดูใจมันอยากพูดอยู่เรื่อยๆดือออกไหมเอาให้พูดกลัวเหมือนเมื่อเช้าที่เห็นหลวงพ่อเดินเข้าห้องน้ําค่ะ มีความรู้สึกเหมือนเห็นซุปเปอร์สตาร์น้ำตาจะไหลปิติหนุมไปหาหลวงพ่อที่ชนบุรีเมื่อน่าจะหกเจ็ดปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะได้มีโอกาสมามอีกเนี่ยค่ะเพราะว่าลูกเล็กแล้วก็สามีเพิ่งจะอนุ ญ, ญาตให้มาเหล้อสามีดีเนี่ยหลวงพ่อคะขอถามอีกนดิดหนึ่งนะคะเคยฟังหลวงพ่อเทศว่า เวลาเราอยู่กับคนที่ไม่ถูกใจเราเนี่ย ừ, เราจะปฏิบัติได้ดีเพราะเราจะเห็นใจเราชัดอ <ừ. S 2> เออมันมันเป็นโชคดีของเราเหรอคะหลวงพ่อ <c oughs> หนูคิดว่ามันมันต้องไม่ใช่เข้มข้นมากเลยค่ะเวลาเจอพวกนี้ค่ะ ม, มันไม่ใช่โชคดีนะอากูสนมีบากอากุสนนะมีบาส่งผลให้เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ดี ต่นนี้เรียกว่าชีวิตเราวิกฤตแล้วในการที่เราหัดเจริญสติไปนะแทนที่เราจะไปตีกับเขานะเราคอยดูใจของเราเรื่อยๆนะมันกลายเป็นเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในขณะที่คนที่มีความสุขนะกุศลวิบากให้ผลมาชีวิตนี้มีแต่ความสุขรื่นเรืองเฮฮาไปเรื่อยนะขี้เกียจภาวนานะมันสู้คนที่มีความทุกข์ไม่ได้หรอกโอ้โหโชคดีทุกวันเลยค่ะยัง <laughs> เออเนี่ยถ้ามันผ่านอันนี้ไปแล้วนะแล้วหนูจะรู้ว่าที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเรื่องจริงเลยถ้าเมื่อไร่ชีวิตเข้าไปอยู่ในสภาพที่สบายคนแวดล้อมก็ดีอะไรอะไรก็ดีหมดเลยนะไม่ใช่เฉยแล้วหนูต้องเจออย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะเจอหรือไม่เจออยู่ที่วิบากนั้นไม่ไม่ใช่เราเลือกได้นะแต่ว่าเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทําไงเราจะหาผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุด ผลนะประโยชน์สูงสุดจากการที่เราได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีคือการรู้ทุกข์ไปนะหัดดูใจของเราไปเรื่อยๆนะเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งคอยสังเกตใจของเราไปนานไปนานไปนะใจเราเนี่ยค่อยๆลอยตัวออกมานะคล้ายๆปัญหาก็ยังอยู่อย่างเก่าแหลนะแต่ใจเราไม่ค่อยกระทบกระเทือนแล้ใจมันสบายมันเป็นอิสระขึ้นมาต้องใช้ความอดทนนะในการฝึก ต้องพยายามคิดทางบวกไว้ว่าแห ม, แมบูญบุญ น, นะอย่าไปใช้ควาว่าโชคดีชาวพุทธไม่มีคำว่าโชคต้องคิดแหมบูญบุญ <c oughs> <c oughs> ได้ภาวนาหลวงพ่อคะทุกสิ่งที่เราเจอบนโลกนี้ไม่ว่าจะคนหรือเหตุการณ์ใดๆไม่มีไม่มีเรื่องบังเอิญใช่ไหมคะหลวงพอ่อไม่มีบังเอิญไม่มีมันเป็นผลจากกรรมที่เราทำมาใ ช, ใช่ไหมคะเป็นผลของกรรม เราจะได้พรษาที่ดีหรือภาษาที่เลวเนี่ยได้แต่กรรมแต่ว่าอันนั้นเป็นกรรมเก่านี่เมื่อกรรมเก่าให้ผลมาเราต้องมาเจอคนที่ไม่ดีเราทํากรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีพอเราสะสมมากเข้ามากเข้านี่มันจะเจือจ า, อางอิทธิพลของกรรมเก่ากรรมเก่าเนี่ยทำให้เราต้องเจอคนคนนี้แล้วเราทุกมากแต่เราพอวนาไปเรื่อยๆ เ, เรายังเจอคนนี้แหละแต่เราไม่ทุก นะมันเจือจางผลของกรรมเก่าการแก้กรรมของศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีหรอกนะมีแต่การทำกรรมดีให้เหนือขึ้นไปแล้วมันไปเจือจางอิทธิพลของกรรมชั่วนะอ่ะต่อไปไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณสิบเดือนไม่รู้ว่าหลงทางหรือปล่าหลงหรือเปล่าล่ะดูตัวเองได้ไหมผิดศีลไหมไม่ผิดค่ะไม่ผิดศีล น, นะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหม อยู่บ้างค่ะเอออยู่บ้างก็แสดงว่าถูกบ้างผิดบ้างนะแล้วเห็นไหมกายกับใจโคแลนเห็นค่ะเวลาเห็นเนี่ยใจเฉยเฉยทื่อๆหรือใจเป็นธรรมชาติบางทีมันก็กดนะคะตรงนั้นต้องระวังมันก็เสนี้สัยชอบกดมาเก่าอะตรงที่เห็นถูกต้องเนี่ยใจจะไม่กดนะค่ะใจจะรู้ใจจะตื่นใจจะเบิกบานงั้นส่วนใหญ่ก็ผิดเยอะค่ะอะไรนะส่วนใหญก็กดเยอะอยู่ค่ะ ให้รู้เอาไปกดนะไม่ว่ามันหรอกห้ามมันไม่ได้มันเคยชินเขากันบ้านค่ะรู้สบายๆน ะ, ะอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนดูเล่นๆแต่ดูบ่อยๆค่ะทําเล่นๆแต่ทําบ่อยๆนี่นคุณเนี่ยที่เพิ่งส่งกันบ้านรู้สึกไหมใจมันจมลงไปล้วนะเ อ, อเห็นไหมอย่าไปปล่อยโถเราแย่แล้วเรา อ, า, วาอย่างนี้นะมันมีเราขึ้นมานะให้รู้ทันอ้าวจำาานามสกุลหลวงพ่อคะ่ะอืม แยกกายแยกใจได้แยกได้ก็ดีแล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเออตื่นเต้นไม่ใช่จิตหรออยู่ในร่องในรอยไหมคะฮะอยู่ในร่องในรอยไหมคะตัวเองรู้ไหมรู้สึกไหมว่าเดี๋ยวนี้แต่แตก่อนไม่เหมือนกัน ร, รู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปอ่านะจะดีแล้วนี่จงใจเกินไปไหมคะเวลารู้อะไร่เยถ้าจงใจมันจะแน่นนจะอึดอัดไปดูเอาเอง บางทีใจมันลอยเกินไปเรารู้สึกตัวใจลอยใจลอยต้องรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึงรู้สึกตัวแบบจงใจนิดนึงใช่ไหมเออจงใจขึ้นนิดเดี๋ยวนาะนิดเดียวเลยเนี่ยแค่นิดเดียวถ้าอย่างนี้มากไปนะอย่างนี้ไม่เอานะเราค้างอยู่ยงี้ทั้งวันเลยคอเคล็ดไปเลยนะไม่เอาเราเวลาเดินจงกรมมะค่ะเอ่เวลาหนูมีสมาธิหนูไป<า>ทํากรรมฐานหนูพ่อให้กรรมฐานนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไป รู้ตัวนี้ให้มากๆนะแล้วสมาธิจะเพิ่มสมาธิของหนูไม่พอนะจมจะไปฟุ้ง ๆ, ๆไปงั้นทํากรรมฐานอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งไปสังเกตเอาว่าเราอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยเราก็อยู่กับกรรมฐานนั้นแหละแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมาไปทานะก็นะจะดีแล้วหนูเหมาะกับเจะบิดอะไรล่ะคะฮะเหมาะกับพวกเรารเราคิดมากคิดมา ก, มาก อ, อ, อ, อ<ว>กต้องดูจิตใช่ไหมคะ แต่ว่าจะดูจิตตรงๆเนี้ยไม่ได้มันจะไปจ้องจิตงั้นเราก็ทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไป น, นั่นแหละหัดดูจิตแต่่าจิตไหลก็รู้ไหลก็รู้ปัญญาจะเกิดนะมันก็เห็นว่าจิตไหลได้เองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราบางทีก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูได้บางทมีมันก็ไม่ได้ะดูดูอะไรก็ได้นะแต่คอยรู้ทันจิตไว ให้นั่งหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้สึกคอยรู้ทันจิตที่หนีไปหนีไปไม่ห้ามนะถ้าห้ามแล้วอึดอัดเวลาเหนื่อยมากๆอะค่ะจะเพิ่มพลังยังไงบ้างค่ะเพิ่มเวลาเราทํางานเหนื่อยมากๆเยี้ยค่ะอยากอยากจะเพิ่มพลังใจตัวเองอย่างเงี้ยอ๋อาหายใจ<อ>ไหมาาหายใจนะหายใจแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดว่าเรากำลังหายใจเอาพระพุทธกุลเข้ามา หายใจออกเพระพุทธคุณเข้ามานะหายใจหายใจสักไม่กี่ทีก็ได้แรงและ ถ, <c oughs> ถ้าไปหายใจ <c oughs> งี้ไม่ได้แรงเราบางทีเดินจงกรมรู้สึกชาตรงหน้าอกช่วงเนี้่ยค่ะมันเป็นเพราะอะไรละ่ะเราบังคับมากไปอ๋อ <c oughs> บังคับมากไปต้องปล่อยดูสบายๆให้จิตเข้าทํางานตามธรรมชาติค่ะนะขอบคุณค่ะวันนี้ถามกันเก่งนะแต่ละคน กรับนบมรสการหลวงพ่อครับเดิมผมนั่งอานาปนานสติฮะแล้วไปติดว่างเป็นอารามณูปนิชานนะครับ<ะ>เอนะเดิมนั่งอานาปนานสติแล้วไปติดเป็นติดว่างเป็นอารามณูปนิชานนะครับหลวงพ่อก็สอนให้ฝึกลักขณูปนิชานดูจิตไหลไปให้รู้แล้วก็เห็นร่างกายหายใจใจะเป็นคนดูนะฮะแล้วหลวงพ่อก็สอนว่าสมถะไม่ทิ้งนะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าผมฝึกเป็นลักขณูปนิชานแล้วเนี่ย มสมําสมถะในลักขณูนิชานเนี่ยเราใช้ลักขณูนี่แหละทําสมถะครัะนะอารมณูปนิชานเนี่ยเอาไว้ทําสมถะพักผ่อนน ะ, ะเอาไว้เล่นอภิญญาได้แต่ลักขณูเนี่ยเอาไว้ทําสมถะก็ได้ทํำมิปัสสนาก็ได้นะเอาไว้ทําพระสมบัติก็ได้นะทั้นทําลักขณูนี่แหละนะแต่แทนที่จะไปเห็นเกิดดับนะเราก็มาสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่จิตไม่เคลื่อนไปไม่ได้เคลื่อนไะป ใช้ใช้ได้ครับแล้วถ้าเวลาที่สมาธิเราน้อยเนี่ยนะฮะเราไปทําอารามณูได้ไหมฮะหรือว่าก็ทํารัคขณูต่อไปเลยครับที่จริงมันใช้ได้ทั้งคู่เลยนะถ้าเราชํานาญพอนะทําอารามณูแล้วรู้ว่าเป็นอารามณูไม่ใช่มีโทษอะไรหรอกนะถ้าเราถนัดตัวนั้นทําตัวนั้นสบายใจเพื่อสงบง่ายพอสงบแล้วเราก็พลิกนิดเดียวก็ขึ้นมาเป็นรัคขณูแล้วนะแล้วก็มาเดินปัญญา ใช้อารมณูทําสมถะได้ไม่ใช่ไม่ได้เวลาทําอารมณูไปสงบแล้วเนี่ยครับพลิกเป็นลัคนูที่หลวงพ่อแนะนําเมื่อกี้คือคือเราปฏิบัติยังไงครับถึงจะพลิกขึ้นมาก็เรารู้ทันว่าตอนเนี้จิตแนบอยู่ที่อารมณ์ถ้าแนบมันก็ดีขึ้นมานะโอครับผมเพราะว่าช่วงหลังผมจะฝึกเป็นลัคนูอย่างเดียวลเลยดีครับแล้วนะถ้าได้แต่อารมณูนะไม่เดินปัญญาจริงหรอกรู้สึกไหมมีพิจมอยู่ครับอื แล้วก็พอนั่งสมาธิปิติสุขจิตรวมลงไปพอถอยออกมาเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยเห็นความคิดหลวงพ่อบอกมันติดจิตติดนิง่งติดสมาธิ<ม>ก็ให้พิจารณากาย<ม>นะครับ<ม>พิจารณากายเป็นไต่รักษนะครับแล้วตอนนี้การติดนิ่งติดสมาธินี้เป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อใช่ได้แล้วละ่ะเพียงแว่ไให้จิตมันเริ่มเคลื่อนไหว ม, มเริ่มเดินปัญญาครับผมนะการที่เราคิดพิจารณากายเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาครับนะมันเริ่มเดินแล้วล่ะของคุณคนะทําได้ดีอยู่ สแสดงว่าถ้าตอนนี้จิตรวมลงไปแล้วถอยออกมาเนี่ยผมไม่ต้องพิจารณาไตายักแล้วใช่ไหมครัคือให้ดูให้ดูใจให้ดูตาลักษแต่ไม่ต้องพิจารณา ต, ตายรักไม่ต้องคิดล่ะครับผมแต่ถ้ามันไปนิ่งเฉยนะอันนั้นนะ่ะกลับไปพิจารณาใหม่ บ, นะบางทีมันไปติดเฉยเหมือนกันครับแล้วก็หลวงพ่อผมเนี่ยรู้สึกว่าผมนั่งนัรักษาตัวรู้นะครับรักษาตัวรู้หลวงพ่อเคยสอนว่าให้อลืมการปฏิบัติไปบ้างนะฮะ เพราะผมจงใจมากไปทีนี้การลืมการปฏิบัติไปบ้างเนี่ยอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าผมควรจะหยุดปฏิบัติสมาธิไม่ต้องไม่ต้องก็ต อ, งตอนนี้ทํามาถูกแล้วใช้ได้แนละ้ว ค, คือที่บอกให้ลืมๆไปซะบ้างนะเพราะเราคิดว่าเราเป็นนักปฏิบตัติเราจะต้องทําโน่นทนํานี่ต้องบังคับตัวเองนะมันจะเครียดไปหมดไม่ได้เรื่องหรอกแล้วนะลืมๆไปหนะ่อยอย่าเป็นนักปฏิบัติเล ย, ยเป็นคนธรรมดาเข้าบ้างนะพอเป็นคนธรรมดามันคลายจะเคยที่ตึงมันคลายออกมันพอดีแล้ว อ๋อนนะตอนนี้เราก็ภาวานาของเราสบายๆอย่างนี้แหละตอนนี้คือมันคลายอ่อนบ้างแล้วใช่ไหมครับแล้วในชีวิตประจําวันเอี่ยงผมได้มัจะฝึกมีสติรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือฝึกไปได้ตามปกติครับก็คือฝึกฝ<ส>ึกไปแบบเดิไมได้ไม่ต้องคลายมันลงใช่ไหมครัไม่ต้องอะไรนะไม่ไม่ต้องคลายการคิดว่าเอ้ยฝึกให้มีสติให้รู้สึกตัวไว้นะไม่ต้องแล้วแหละครับรู้สึกสบายๆไปครับผมไม่ไม่ต้องจงใจแล้ว สมาทานไม่ทิ้งนะครับผมสมาทาถ้าทิ้งไปแล้วเวลาเดินปัญญาไปนะใจจะแห้งแรงก็คือให้นั่งสมาธิเป็นลัคนูปนิชานไว้ใช่ไหมครับถ้าลัคนูไม่ได้ก็ทาอัลณมนูพอมีแรงแล้วก็ปรับจิตขึ้นเป็นลัคนูเดินปัญญาต่อมันจะไม่จมเสียเวลานมาสการค่ะหลวงพ่อว่าไงวันนี้โยมจะขอถามหลวงพ่อสองเรื่องนะเจ้าคะ เรื่องแรกก็คือเมื่อกเกือบสองปีแล้วฮะที่ไปส่งที่สวนสันติธรรมเสร็จแล้วโยมถามหลวงพ่อไม่หมดก็กล<ำ>ับมาทุกวันนี้มาทบ ท, ว, ทวนทีไรก็เหมือนกับมันคลองใจอืวันนี้อยากจะโสดาคล่องใจตั้งสองปีทําไมไม่รู้ว่าข้องใจแล้วโยนมันทิ้งไปเลยก็มันมันเหมือนว่าภูมิธรรมเราไม่ไม่ทราบว่ามันถูกหรือเปล่า <switches> ก็เลยแบบถามคนอื่นก็มันมันไม่ไม่ตรงกับที่ใจเราคิดนะเจ้าค่ะก็คือว่า วันนั้นนโยมไปส่งหลวงพ่อบอกว่าเออโยมนั่งดูลมหายใจเสร็จแล้วก็พุทโธเป็นแบล็กเกลียวเสร็จแล้วก็นึกได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ดูกายมันหายใจโยมก็ไปดูกายมันหายใจไปไปมานั่งนั่งอยู่มันก็ตั้งมั่นแล้วมันก็ไปเห็นว่ากายเนี้ยมันเศร้าอืมันจะร้องไห้แล้วสติมันก็ตั้งมั่นเดชขึ้นมาว่าก็ไปยึดมันซึ่งแโยมไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างนจ้าค่ะ เสร็จแล้วโยมก็เลยลองมองเป็นภาพรวมว่าหลวงพ่อบอกให้ดูดูเป็นแบบดูวงนอกยมก็ดูไปเสร็จมันก็ดับเลยอืพี่ยมมาส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยววิปัสสนาละแล้วโยมก็เลยดีใจมากเสร็จก็เลยลืมถามต่อวันนี้โยมอยากทราบ ว, ว่าที่โยมเห็นเนี่ยมันเป็นมุมด้านไหนเจ้าค่ะที่ไตรักษ์นี่นะคะือที่โยมเห็นไตลักษ์อันนี้นะคะมันเป็นด้านไหนครับของโยมเนี่ยนะนไอ้ตรงนั้นน่ะลืมมันไปได้ละเป็นอดีตเป็นอดีตไปหมดแล้วนะนปัจจุบัน อย่างปัจจุบันเนี่ยสังเกตไหมจิตมันฟุ้งซ่านค <ฮา S 2> นะจิตฟุ้งซ่านสังเกตไห้จิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่อย่างนี้ดูไปมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนได้เองมันเป็นไปเองนะอย่างเนี้ยดูอนิจจังดูอนัตตาไปโยมขอถามนะคะคือความที่โยมมาทบทวนแล้วโยมดูทีไรโยมก็ว่าโยมไปเห็นอนัตตาแต่พอดีไปถามเพื่อนแต่ละคนเขาบอกว่าโยมเห็นทุกขงังอืโยมก็เลยไม่ทราบว่าถ้าดูจิตอะไม่ค่อยเห็นทุกขังหรอก นะเราไม่ได้ส่งฉานจริงถ้าอย่างนั้นที่โยมเห็นนี่โยมเข้าใจถูกที่ว่ายมอ่านเห็นแ่ามไม่เที่ยงเห็นแต่วความฟุ้งซ่านเปลี่ยนแปลงไปนะเห็นมันเป็นไปเองอส่วนใหญ่จะเห็นว่ามันฟุ้งไปเรื่อยๆ<ต>ไม่เห็นอ น, นิจจังอ๋อใช่ค่ะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือตอนนี้แบบโยมท้อมากเลยหลวงพ่อมันเสื่อมมันเสื่อมอย่างเดียวจ้ะมันไม่รู้เรื่องเลยเรารู้ไหมว่ามันดูไม่รู้เรื่องรู้จ้ะค่ะรู้ไหมว่าทอ กว้างหัวแตกเลยแล้วบอกว่าดูไม่รู้ดูไม่รู้เรารู้ได้ยังไงวะท้อก็มันเหมือนนั่งสมาธิไม่ได้เลยหลวงพ่อมเหมือนคนนั่งไม่เป็นเห็นไหมใจท้อใจท้อรู้ว่าท้อนี่แหละรู้นะอย่านึกนะว่าต้องดีถึงจะเรียกว่ารู้ไม่ดีก็รู้ได้ดีก็ไม่ดีเท่าๆกันนะเช่นจิตสว่างนะแหมบอกว่าดีชอบไม่รู้ว่าชอบนีมใช้ไม่ได้นะจิตมืดจิตไม่ชอบแล้วเกิดไปรู้ว่าไม่ชอบอย่างนี้ใช้ได้นะ เพราะงั้นมันไม่ใช่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเสมอกันหมดอยู่ที่ใจเราแต่หากว่าดีหยินได้สงบได้ดมหายใจแบบนี้แบบนี้เพราะเราว่าเราจังสภาวะได้เราฟุ้งซ่านมากมาทําใหม่มันทําไม่ได้อะไรไม่ทำไม่ได้ให้รู้ว่าใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าอยากวดีเดี๋ยวนี้แบบเป็นนางมารร้ายมากเลยอให้รู้ว่าเป็นนางมารเลยไม่รู้ทําไงว่ามันจิตมันอักขุศรมากเลยหรวงเห็นแม้จะมีคําว่าจะทํำยังไงนึกออกไหม มัคือสิ่งที่โลกพาเทศวันนี้ยจะทํำยังไงให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ให้ทําอะไระเพราะฉะั้นบอกว่าหมู่นี้ดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยงงเอาแล้วรู้ได้ไงไงว่างงถ้ารู้ว่างงก็แสดงว่าดูเป็นยังอยู่ในร่องในรอยใช่ไหมเจ้าคะพงษ์สร้างไม่อยู่ในร้องรอยพงษ์สร้าไม่ได้นะพงษสร้างเป็นตัวมงานของพ่อนะนาช่องให้โยมทำอีกแล้วให้รู้ว่าพงษสร้าง แล้วมันฟุ้งแล้วมันไม่หายอยากให้หายไหมวันนี้สอนใช่ไหมเรื่องอยากใช่ไหมให้รู้ว่าอยากเดี๋ยวตีตายเลยที่เทศมานี่ยไม่ฟังให้รู้ฟุ้งซ่านให้รู้อยากหายให้รู้นะรู้ทันใจของเรามันเหมือกลัวว่าหลงนานยังองให้กลัวรู้ว่ากลัวใช่ไหมไม่ใช่มากลัวแล้วก็ทําไงจะไม่หลงยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเก่าแล้วจริตของโยมนี่ ไปเน้นดูกายหรือดูใจเ<ะ>จ้คเาค่ะยังไม่ได้อตอนนี้ต้องฝึกสมาธิก่นอนฝึกให้ใจอยู่กันเน้อกับตัวก่อนจิตมันหลงคิดเดยอะไปสัน้นมันทําอะไรไม่ได้หรอกอค่นะงั้นต่อไปนี้นะพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆไปนะแล้วถ้าใจหลงไปเรารู้พุทโธพุทโธพุทโธเอาหนีไปแล้วไม่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ว่าแต่พุทโธใหม่พุทโธพุทโธหนีอีกรู้อีกไปทําอย่างนี้นะเจ้าค่ะขอบพรคุณเจ้าค่ะครับวันนี้ก็มีเอ่อ ยาติธรรมนะได้นำทายธรรมนะมาร่วมกันถวายนะครับก็ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับขอให้ทุกท่านกล่าวตามนะครับเพื่ อ, อถวายทานนะฮะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยรัายธรรมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระอาจารย์ปราโมช์ปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นการและนานเทินอย่าถาว่าริวหาปูราปริปูเรนตีสาคารังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ พิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาชันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีดิโยวิวัตชันตูสัพพรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรยโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโน ชะตาโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังไปพอนานะอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆอย่าประมาทเรา้เราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่นะดูอย่างคนปารีสใช่ไมอยู่ๆก็ตายอะเอาแน่ไม่ได้หรอกชีวิตนะอันตรธานมันเยอะแล้วเราอยู่กับความไม่แน่นอน เราต้องมีสติให้มากๆไม่ให้เสียใจทีหลังนะก็ตายไปแล้วเสียใจมหมอรุ่นนี้ภาวนามากกว่านี้อีกนะอดทนนะต้องทำเอา